11. เอที่ฉกนหนักก็คือมารข้ามหน้าพระเจ้าได้ยังไงมารซาตานมาจากไหนเกิดขึ้นมาทำให้คนชั่วคนทุกข้ามหน้าพระเจ้าเกินอำนาจพระเจ้าได้อย่างไรมาโรโผลมาเองโดยไม่มีใครสร้างมาได้ยังไง ทำไมปล่อยให้มารซาตานมีอำนาจพาคนชั่วพาคนทุกข์พาให้สังคมมนุษย์สุดเลวร้ายจนจะเผาโลกกันอย่างนี้และพระเจ้าก็มีพระปาณิธานให้คนดีให้คนเป็นสุขทั้งหมดด้วยซ้ำมันย้อนแยง้งจนต้องชงนยิ่งจริง ทำไม่อำนาจพระเจ้าจึงไม่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงกระทั่งสามารถไม่ให้มีอำนาจอื่นเกิดมาเบ่งอำนาจเกินหน้าทำให้คนต้องชั่วต้องทุกข์ร้อนต้องทุกต้องร้อนซึ่งขัดแย้งกับที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นสุขทั้งหมด เป็นคนดีทั้งนั้นมันไม่ลงตัวกันเลยกับความเป็นหนึ่งมันเป็นสองที่ขัดแย้งกันอยู่ชัดๆพระเจ้ามีพระปณิธานมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยคนให้เป็นสุขไปทั้งโลกให้คนเป็นคนดี ท, นทุกคนด้วยเมตตา <c oughs> <c oughs> แต่ทำไมมารจึงมีอำนาจทำให้ทุกข์ให้ชั่วมีในคนได้แล้วอำนาจมารหรืออำนาจซาตานยิ่งใหญ่มาจากไหนมาใช้อำนาจเกินหน้าพระเจ้าให้คนทุกข์ร้อนบ้าง บังคับให้คนทำชั่วทำร้ายบ้างทำไม่ถูกต้องบ้างและอื่นๆทำไมทำไมทำไมเห็นได้ชัดไหมว่ามันน่าชงน์มันเกิดขึ้นในโลกจนโลกต้องมีนิยายโศกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาตก็เห็นกันอยู่ทั่วโลกเกินความปรารถนาดีของพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์เป็นสุขทั่วโลกตามพระปณิธานของพระองค์เองแท้ๆได้อย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบความบกพร่องผิดพลาดนี้